สามสิบห้ามที่สนามบ .Nil ดานาฉันขที่วบินไป a อค่ะ na นุเอ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะอลลิเกเนรวาดาบิมานาอีเดยขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะเดวิดตู่กิตกิยปปกกระดาวนดจากาดูมาปานานิเชดิตตาจากาดิฉันขอยืนยันการจองคะ่ะนานุนันนาะคายดิริสุวิเคยนน การย่อมมาดลูอิสต์ประพดุตเตเน่ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะนานูนันนาการดิริสุวิกเยนูรัดดูปดิสโลอิสต์ปพดุตเตน่ฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะนานูนันนาการดิริสุวิกเยนูบัดาอสโลอิสดุตเตเน่เที่ยวบินไปโรม เที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะรมเกมุนดีนาบินานาเยสต์ทุกทีเกียดยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะอี น, นูยารดูจ a กรกลัลโอคาลีอีเวยไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นคะ่ะอิล a ์นัมัลลีเกวลวุนดูจักมาตราคลาลีอีด เราจะไปถึงเมื่อไรคะนยิสุหติเก่บัดลิุตเวเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่ค ะ, ะนวูวากอลรุตวรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไรคะหติ่บัสูคนร์กเรดุตตนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ อิดูนิมาเปติกนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะอิดูนิมาจีลเวนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอดูนิมาป r a y a n a d a sama no saranjamu g a l ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ นานูยช่งสูามานุสรณ์จมูกาลนู้จดเกี่ย์ติดุิดูคนดูฮบ่หูดูยี่สิบกิโลกรัมอีตุกิโลกรัมอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะเยนูแค่วลาอีัตตุกิโลกรัมกลกรุณาไปที่